ห น, นัสามสบายหนังภาวนาไปเดือดการฟังธรรมะถือโอกาสฟังเป็นการปฏิบัติในตัว เกี ras, zept, um. ja, ่ยวขอ่องตเรื่องขงอกใจจะมีโอกาสเวลาสงบระงับอย่าน้การฟังเทศก็มีรส่าติมีประโยชน์อะไรมีตัวเนื่อเนือหปวดหลังปวดเอวปวด่ขนปวดขาก็ใจของเราเนีอยู่ในตัวคิดไปแเรื่องนอกใจเลยนี่ยสงบ้วงับให้ไม่เห็นอะไรสง ไม่ยิดี เป็นของเย็ททนทำเป็นของสะอาดเมื่อเขาไปสื่ใจใจก็เย็นใจก็สะอาดผู้ต่างหน้าต่างตาต่งางหมดรักษาทั้งทำอย่างนั้นเกิดประโยชน์ในการสดับเล่าฟังเพราะทั้งฟังทั้งปฏิบัติไปในตัวพอทันเอื่อทันมะขึ้นเราต้องกำหนดจิตกําหนดใจของเรารักษาตัวของเรา ปฏิบัติไปพร้อมกันใจก็เลยสงบร่างกายก็เลยสะดวกสบายดีกว่าที่เราทําส่วนตัวของเราถ้าเราทําส่วนตัวของเรามันเจ็บมันปึงมันรัดสายยาเหมือนกันกับเด็กที่นอนแม่ไปก่อมไปแม่ไห้ก่อ หลับง่ายสึกสมาธิเยอะวแล้วควนมีการฟังธรรมของพุทธเจ้าทำในเดียวกันทําสีต่างงานต่างๆศึกษาฟังธรรมนะในสมัยศุัทธาการกินได้สําเร็จมักฝผิดแตกต่างกันทั้งธทําออกจากเต้าโอดอันเดียวกัน บางคนบงสิทธางใจไปดีใจเ่นนั ích, ้นก็สงบลงงงลวนจนสมาธิเกิดปัญญาที่เรณาธรรมะที่เป็นแสดงไปจนขับไล่ที่เหลืตัหาตกออกจากกาาใจทั้งท่านหมดพิษหมดภัยนจิตในใจทั้งตนอย่งสง ของการกัรธรรมะการปฏิบัติปฏิบัติธรรมะธรรม ะ, ธรรมะนั้นโดยส่วนใหญ่พวกเราทั่วไปมักถือว่าเป็นหน้าขี่ของคนแก่เป็นหน้าขี่ของนักเลวถือว่าเป็นหน้าขี่ของตัวจึงโยนไปวัดไปหาคนแก่เชืยตัวของตัวอยากจะพิชิตแต่อย่างไรอยากจะทําไปอย่างไ ร, ไงไรก็ทําไปตามอำเภอใจ ทำไป ต, ตำำ า, ตด า, ดอามอํานาจของความอยากหรือกิเลสปัญหาเมื่อทำไปแล้วก็เกิดความไ ม, ไม่สะดวกไม่สบายขึ้นจิตถึงการทําทั้งตนการสูบของคนแต่เม่อเชื่อม ใ, นในทจทำอย่างนั้เมื่อเชื่อมใจพูดอย่างนี้จิตใจก็เลยไม่รับความเดือดร้อนเศร้าหมองถ้าเราไม่รั ทำหนี้ตัวข้งตัวได้ส่วนถ้าส่วนตีมีธรรมะในใจถือว่าธรรมะนี้เป็นของคนถั่วไปพระพุทเจ้าเหนื่ยแบ่งให้ยกให้เฉพาะนักหลวงด้วยคนแกะทำจำเป็นเหมือนอาหารคนที่มีชีวิตเป็นอยู่จะต้องทางอาหารกัน จะเป็นคนแก่ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเป็นหนุ่มเป็นสาวคนเด็กเนเล็กก็ตามถ้าทานอาหารลงไปร่างกายก็จะโตใหญ่แข็งแรงไม้อาหารร่างกายก็อ่อนเพียถูกไหมฉใดทำคาสอนของพุทธเจ้าก็จำเนของทุกคนคนเดียวกันหาคนรักษาธรรมะ ทำน่ะก็รักษาคนคือทําคนคนนั้นได้รับผลรับประโยชน์ส่งจากปวดทุกข์ต่างๆเพราะคนมีธรรมะมีสติรักษาตัวมีปัญญาสอนตัวไม่ทำเชือกปวดชั่วต่างๆเว้นสิ่งจ่ตใจเว้นมั่นเพิ่มสิ่งจิตใจมั่นเพิมอยู่คือคนมีธรรมะ เด็กมีธรรมะ ม, ม, ฤษฤษษษมีความขี้สสุจริตมีความขยันหมั่นเพียรมีความเคารพเชื่อถือทู่ใหญ่ผู่ใหญ่ทั่วไปกรเลงใส่ทู่ใหญ่ทั่วไป ก, ก็รักเข็นดูในเด็กแบบนั้นแต่เป็นเด็กที่ดีบอนสอนง่าย เป็นเดยกที่มากและน่านักถือถ้าเด็กเจอเล่เจอกะบอกในนอนสอนในบ้านทำอะไรเอาใจใจตัวเองรักพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ทั่วไปก็ไม่หวนสายรัทธาเอาาไว้ ในบ้านเด็กเป็นลูกเป็นหลานทั้งตัวเองก็ลำบากเพราเขาอ ข, อขาดาขาดธรรมยินเลยหน่ยินดีนหน้าเรื่อนไสสะาดผู้ใหเป็นอย่างนั้นก่อนนั้นกัรนึ่คือการขาดธรรมผู้ใหญ่มีธรรมเด็กในธรรมพระมีธรรมฆราวามีธรรมมีธรรม ธรรมะเป็นพลีประดับกายวาจาใจให้คนถั่วไปสัตว์ถั่วไปได้รับความเลือ่อใยได้รับความเลือกเย็นเมื่อขาดธรรมะไม่มีธรรมะเท่นานั้นจะเป็นข่าเป็นเวรก็มีแต่เทศจิุใจใส่ฝันทํา ก, นกนนันสูกกันในเรื่องที่ชัีวขี้เขียก็มีอะไรหิุดแปกแตกต่างกับคารวะกับสัตว์เดือดฉัน ใจดียิ่งเสียท่านแต่มันทำมาจนเป็นเรื่องซักครั้งทำักโหดท่านฆราว่าที่จะต้องมันยังรักษาเอาไว้เพราะคนมีธรรมะ <c oughs> จะรับกายาจาใจทั้งตนนั้นจะไปอยู่สถานที่ดใดไม่ว่าอาดุยุทธ์ปัจจุบันอนาคตก็เหมือนกันคนมีธรรมะทำสมัย คนมีธรรมะเป็นที่จ่าถนาของโลกของคนถั่วไปถึงเขาจะทําชั่วทําเสียเขาไม่เคยรักษาธรรมะเขาจะิตเยือนธรรมะว่าในดีอย่างนั้นอย่างนี้คื่อรอาชสมัยแต่เขาเองถ้าหากคนไม่มีธรรมะคนไม่มีศีลมีธรรมไปส่วนไปขีดไปข่าไปจีไปด่าไปว่าเขา อย่างนั้นอย่างนี้หมายถึงปากที่ไม่มีธรรมะปากที่ไมมีอัดไม่มีธรรมปากไม่ต้องวอนไระวังกายในทั้งวอนไม่รวมะวังทําไปในทางชั่วทางเสียวาจางไม่ต้งวอนระวังด่าว่าโกหกเชื่วงไปต่างๆนานนะเขาที่ในนี้ยอมหลวมใสศรัทธาเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมนะเขาควรนั้นเขาเป็นชอบนูนกันเมื่อไปเดินข้าอย่างนั้นเขาจะต้อง แยกใจในยินดีเหลื่องใสทั้งทั้งที่เขาจำมีธรรมะว่าในดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่อยากโดนอย่างคนที่ในมีธรรมะไปทําชั่วเพดชั่วกับเขามีธรรมะจึนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านจะต้องตระหนักจะต้องรักษาครับในมีธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นโลกอันนี้เดือดร้อนวุ่นวาย าความสความสบายในได้ใครมีอำนาจกำลังอย่างไรก็ขาดดีดีโดยกันไปเหมือนกับสัตว์อยู่ในเป็นสุขในสบายให้เพราะขาดธรรมะทางกายทางใจธรรมะจริงจำเป็นเหมือ น, นกันกับอาหารที่ควรรับประทานเพื่อจะให้ อยู่ระดวกสบายมีกำลังทำการงานต่อไปคนที่มีจะมีลมหายใจจึงจะต้องรักษาธรรมะเมื่อมีธรรมะประดับกายวาจาใจหากคนทั่วไปรักษาธรรมะมีธรรมะโลกอันนี้ก็น่าอยู่หนาอาศัยไม่เป็นไทยเป็นเวียนต่อกันไปสถานที่ใดเย็มเยน็น เหวิก th ch ันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นข้าสึกสัตูต่อกันมีหมายถคนที่มีธรรมะอยู่แต่ทางที่ใดใดเนื่อเชื่อใจกันจะเป็นครอบครัวคู่เมียตัวอยู่ด้วยกันเป็นสุขถึงขขาของเงินทองจะไม่มากไมยก่ายกองแต่จิตใจก็เป็นสุขนอนหลักสบายทานได้อร่อย ขาเลาะเบอกแว่งกันขาดธรรมะขาดกีกันหรือหมอกใจกันเียบใจให้กันแล้วที่พักที่อาศัยจะใหญ่โตสวยงามนั่นต้องมีความหมายอะไรพาใจไในสุตใจขาดธรรมะใจไม่มีธรรมะใจไห่เย็นใจไม่สงบอาหารกันอยู่มจะมีรสชาติอร่อย หยิบดีขนาดไหนก็อนไม่มีรสชาติให้เพราะใจหุ่นวายใจไม่สบายใจเดือดร้อนดันงนั้นธรรมะจนึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านควรนำ ม, มาประดับกายวาจาใจของตัวมาอย่างนั้นพวกเราท่านก็จะไม่ผิดแปดกแตกต่างอะไรกันกับพวกสัตว์เพื่ออยู่ ในรักษากายตาใจใจท่องตนในทราบว่าม right. ันคืนเดือนปีผ่านไปได้ทําความดีอะไรในได้ทำมือถึงชีวิตที่หมดไปหมดไปมาได้ทําอะไรเป็นของดีเอาไว้ถึงวันถึงเวลาหลับตื่นลืมตาข่าวหาดีหาชิ้นถึงเวลาหลับเวลานอนก็หลับนอนตันไปในได้ทําความดีอะไรเอาไว้ เพื่อประดับกายวาจาใจทั้งตัวถึงข้าวตาตัวตาตัวไม่มีประโยชน์สำหรับตรงขึ้นต่อผ่้คือคนที่เนรสอนใจแสวงหาธรรมะธรรมะก็หม่เป็นหุดคป็นยาที่จะแก้ช่วยปัญหาในจิตในใจทั้งตนให้เบาววางไปให้สุขสบายได้เพราะเราเนรมธรรมะมารักษา คนอีนี้มีกี่เรื่องปัญหาดังนั้นผู้ชนคนหลงมืกั น, น ก, กับคนไทยในโรคไข้เดียดเดียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสแสวงหาหมอหาดูดหายามารักษาเพื่อความหายจากโรกคไข้ไข่เดียบ น, นั้นนนั้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขทําการทํางานไปมาสะวกส บ, กบายในอย่างนั้นโรคไข้ไม่มากเท่าไร ก่า น, นับวันนับเวลาที่จะได้รับความทุกความลำบากมากขึ้นเท่านั้นโรคภัยหายไปมากเท่าไรกายของเราใจของเรากดสบายไปเท่านั้นเรื่องกิเลสปัญหาเป็นโรคภายภายในที่บังคับใจของพวกเราท่านให้รับความทุกข์โทษต่างๆถึงที่อยู่ที่อาศัย อาหารการกินตรงนี้ผมยารักษาโลกมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ภายนอกแลกว้วกอดตางแต่ความโลภความโกรธความหลงภายในใจมันไม่มีวันเวลาเพียงพอบริบูรณ์ยากได้ใฝ่ฝันไม่มีวันจะส ง, งบสุขให้มีชีวิตใคยของใจใจเราไม่มีความสุขความส ง, งบความสะดวกสบายให้เพราะไง มีธรรมะเข้าในรักษาใจของตัวฉะนั้นธรรมะจึงเป็นยาสําหรับรักษาเรื่องกายวาจาใจภายในให้สงบคนที่มีธรรมะถึงจะไม่มีสมบัติพัฒสถานเข้าของเงินทองมากม า, กกายไก่กองก่อตาั้งท่าอยู่เป็นสุขท่านอยู่สบายท่าม่เป็นภัยอันตรายต่อฝักและมนุษย์เพราะท่านมีธรรมะ ในจิตในใจทองท่านไปสถานที่ใดเป็นสิริอมองคลไปสถานที่ใดสัตว์และมนุษย์เลื่อมใสยินดีหนีไปเขาบวนถึงมาหาเขาเขาปีติยินดีตอนรักขับสู้อยู่กับเขาเขาเย็นใจสบายใจนี่คือคนมีธรรมะคนอย่างมีธรรมะตรงด้านข้าง พอเห็นหน้าเห็นตาแถวนั้นเขาก็ขยะแขยงรัวไปอยู่กับเขาก็เลยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเห็นแบบเป็นภัยอันตรายไม่ทราบว่าอะไรจะหายมันจะทําแบบไหนต่อบ้านเงินของเราหรือตัวของเราเขาไม่ไว้ใจทางนั้นหนีไปเขายินดีไม่อยากให้กลับมาอีกไม่มีใครอยากพบหน้าพบตาพบค้าสนาคม เพราะคนขาดธรรมะธรรมะจึงจําเป็นที่พวกเราท่านจะส่องแสวงหานํานมาแับพิจารณาประดับกายวาจาใจของตัวนักบวชจะให้มีธรรมะของนักบวชฆราวาสจะใหมีธรรมะของฆราวาสศึกษาพี่จะนำมานํามาปฏิบัติเูื่อที่มีธรรมะ ของฆราวาสอยู่เป็นฆราวาสก็เป็นสุขสุขเป็นมีธรรมะของนักบวชอยู่เป็นนักบวชก็เป็นสุขคือมันสุกในจิตในใจนนทุ้งตนที่เจรณาเหตุผลต่างๆมันไม่มีทางตำหนิตัวได้เหนือตัวเหนือตำหนิตัวของตัวพอตรวจตาที่จเจรณาถึงแล้ว ว่าจิที่เราพูดเราทำไปนั้นมันไม่มีอะไรผิดจากทำจากวินัยจากคำสอนของพุทธเจ้าจิตใจของเรามันก่อเหยดก่อเย็นคนอื่นเห็นเข้าเพราะเราก็ะพื้นตัวดีเขาก็ต่องการเขาก็เหลื่อมใสถ้าเราก็ะพื้นตัวชั่วถึงจะกบเอาไว้จิดเอาไว้ แต่ความชั่วภายในมันจิตไม่อยู่แสดงออกเหมือ น, นกันกับเราเอาผ้าห่อของเน่าหมิน่นถึงผ้าจะติดคุมอยู่ก็ตามสิ่นมันจะต้องซึ่งออกมาภายนอกให้คนอื่นได้กินของเหมือนของเล่าพวกเราไม่ต้องการ ว่าจะขายทั้งหมดในโลกเขาไม่ต่องการของเน่าของเหม็นของเสียของชั่วหมาว่าปัจจุบันเรื่ออดีตที่ผ่านมาอนาคตต่อไปเป็นอย่างนั้นสิ่ที่ชั่วที่เสียไม่มีใครเขาต้องการตาธนาสิ่ที่เน่าที่เหม็นไม่มีใครต้องการหัมเขาทึ่งอยากเห็นเหมือ น, นเขาไม่อยากเจอเป็นอย่างนั้น แต่ตัวของเราเองเดี๋ยวชตาที่เจน่าไหมสี่ที่เราทําเราพูดเราคิดไปมันชัว่วมันเสียอย่างไรควรจะแกไขให้หมดออกไปจากกายวาจาใจหรือไม่หรือหาเราดีทุกสิ่งทุกส่วนดยู่รู้ทั่วไปที่จยาแล้วมันมีทางสมดุลจงตรวจ ต, ตาที่เจนาดูภายในของตัวในอย่างนั้นความชั่วที่ มีอยู่ในตัวก็อเราไม่เห็นโทษแต่คนอื่นตำหนิแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นไม่ดีแต่ตัวไม่ดีไม่เห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็แก้ไขในตัวของตัวไม่ได้เพราะถือว่าตัวดีอยู่แล้วตัวเน่าก็ยังถือว่าตัวเหน่าตัวหมิ่นก็ยังถือว่าตัวหมิ่นตัวชั่วตัวเสียก็ยังถือว่าตัวดีตัวเด่นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันแก้ไขไม่ได้ ทำเป็น open, อโอปัญญิโกนอนออกมาภายในตรวจตาที่รียนกายใจทั้งตัวหนูคนอื่นเขาทําเขาพูดเขาคิดชฉ่อเสียอย่างนี้เราจะยินดีปรารถนาเลยอไม่เมื่อเราทําไปแตเขาก็ทํานองเดียวกันกับเราเพราะเขาก็มีหัวใจให้ชี้แจงไขยอย่างนั้นมาอย่างนั้นจะมีมวันมีเวลาเกิดธรรมะขึ้นะในใจใจจะ ชมแต่ตัวเองว่าดีว่าดเศษว่าประเสิฐอย่างนั้นอย th ่างนี้ถ้าใครอยวงมีบิดมีดออาไัก็อยู่กับโลกเป็นกาฝากถ้าเป็นธาตุเป็นเงินก็เป็นธาตุเงินกาสาเหมือนกันกับกาดำจับถูกโคตทองพอถูกแสงพระอาทิตย์ส่องผิวของกาตกกลายเป็นทอง และสำคัญห ม, หมากห่าอวสียดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้พอดีเนี้ก็เป็นตัวกาดำดิอย่างเดิมฉันใบพระเนนที่นาบวัในศาสนาเขาเคารพบูชากราบไหว้เขาถือเพศจะเป็นสมณนะเป็นพระเป็นเนรคงจะตัหน้าตัางตารักษากา ย, า, ยายใจในทางอัตถงธรรมเขาจึง ยอมเสียชักลากาว่ายมีชา้หย่ออามิธต่างๆทางหากเขาพิุ่งนี้ที่จะาหรือเปล่าวาระผิตของพระเนนสิดชิดจงไปในทางเสือทางเสียทุกขณะวาละิตสิดชิดไปแล้วเขาจะต้องมีในควรรับทยทางของเขาเขาเลยยินดีที่จะห้า เพราะคิงทั่วไปถือก็อ เ, เอามาให้มาบำรุงเขามาสอนมาบำรุงพวกที่ขี้เหลือปัญหาไงนะทีิเาาขามาบำรุ ง, งจะให้เราแต่ง ต, งตาแต่งตาภาวนาละขี้เหลือทำซ้อมผ่าความเพียนเสกแก่ไขใจขใจองตัวถ่อเฉเสียให้ตกไปในเฉดบำรุ ง, งที่เหลือปัญหาให้เด็กคิดให้เด็กจึงมีกําลังกายกำลังใจ ไปในทางชั่วทางเสียต่างๆนานนะเขาไม่ยินดีร่อนสายอย่างนั้นที่เขามาให้เราจะต้องสอนใจท่องเราดูใจท่องเราตรวจใจท่องเราไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันที่จะสะอาดสวยงามได้อุบายที่จะรักษาใจที่จะกำจัดขับไล่กิเลสตัญหามันมีมากมายในธรรมะของพระเจ้า เราทำสลดัดก็สามารถทำได้แก้ได้เพราะธรรมะเป็นหยุดเป็นดาคือแก้แก่ไขโรคเียเกิดตัญหาถ้าความกำหนัดยินดี เ, เพลดเพลิมามองไปในเขตตรงข้ามเราก็พิจารณ า, า, า, า, า, านาิุภานกรมมฐานพิจารณาโมนะสติกำหนัดมันลงไป อะไรมันน่าเลวมใสอะไรมันน่ายินดีอะไรมันน่ากำลังอะไรมันสวยมันงามพิจนาติดตามอยากแยะแกะดูทุกสิ่ทุกส่วนถลกออกไปหนังนี่จนนี้มันเป็นอย่างไรกระดูกออกมาแข้งขวาไว้เดินตรงกรไปเดินจงกรมมาแข้งกระดูกหลักกันไปดึงกันไปอยู่อย่างนั้นมันน่าหลวมใสไหม มันายเย็นดีชอบใจไหมเลือดที่มันไหลออกมาตามถ า, างต่างๆ ต, ตามเนื้อตามกายเอามาดื่มมาอาบได้ไหมเยินดีไหมชอบไหมหาอุบายปัญญาที่เลยนะเพื่นะอกำจัดทางกำหนัดเินดีของใจห่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยอสุภาษัสุพันย์หังไหลออกมา ในบาทางจมูกทางปากทารหนักทวารเปามีอะไรมันหอมหวานสดุดมมีอะไรมันสวยมันสะอาดมันหนาขนาดมันน่ายินดีเราอย่างไรเท่ากับอย่างนั้นที่จะมากันเหถึงใจละความขนาดความยินดีในจิตในใจจะตกจะหายไปจะบรรเทาลงได้เพราะเราที่เจรณาธรรมะธรรมะย่อมรักษาจิตใจของเรา ไม่เหี่ยวหมองไม่เห็นาเมาไม่ให้นติดข้องถ้าเราไม่รักษาธรรมะธรรมะก็ไม่รักษาเราความโกรธให้คนอื่นเขาโกรนกันโกรธนั้นแผกเขาเราเดือดร้อนจิตใจที่โกรธหน้าตาที่โกรธไม่หน้าดูถึงหลังกายจะเสยสนงดงานขนาดไหนถ้าโกรธมากเข่าตาก็แดงหน้าก็เป็นดักเป็นผี ที่จะน้าดูเห็นคนโกรธเท่านั้นเราเองก็ไม่ชอบเพราะหน้าตาเปนยักษ์เป็นนามอาการกิริยาทุกอย่างไม่น่าดูเราทําไมถึงจะไปยอมโกรธอย่างนั้นมันเผาใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนทําไมจะเอาไปเผาคนอื่นเขาอีกหาทางกำจัดหาทาง ปัดเตาหาทางสอนใจท่องตัวยู่คือธรรมของยุทธเจ้าที่เราจะนำมารักษามาปฏิบัติกายรจายใจท่องเราไม่อย่างนั้นจะมาอาศัยวัดบาสาสนาจะให้ชี้เหลือปัญหาตกไปมันไม่มีทางอายุมากเข้าไปจิตใจมันจะเบาจะสบายมันจะหายความกําหนัดยินดีหายความดากได้หายห่วง ต่างๆเนีนะมันเป็นไปไมได้โรควิเลตปัญหานี้เป็นโรคขินต้องรักษาไม่งั้มันหายไปเหมือนโรคหวัดโรคไอธรรมดาพอถึงเวลาจิตขันเข้ามามนั่งไปหายไปเพราะมันเองไม่อย่างนั้นในกรักษาจะเท่าแกขนาดไหนใจมันก็ยังสิทยังคล่องใจมันก็ยังเพิดยังเพลินยังหลุ่มยังหลงรวยไปยิ่งแกเท่าไรก็ยิ่ง เป็นพิษเป็นภัยยิ้มยิ้มยิงย่องไปเถอะนะนี่จิตใจของคนธรรมดาที่ไล่มีธรรมะจิ้มเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกการทุกเวลาอายุจะแช่เท่าไรใจมันก็ไม่ทายความจำหยินดีใจมันก็ไม่หายจากความโลภความโกรธความหลงไปได้เมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้มีใครอยู่ในใจจะหาความเย็นความสุขเหนืออะ มันหาในได้เพราะไฟมันเป็นของร้อนของแผดของเผาราคจินาโทาาาหักจินามูหักจินาไฟส่วนนี้มีอยู่ในจิตในใจของใครแล้วจะเป็นธาตเป็นเนนก่าตามจะเป็นคารว่าก่อตามจะเป็นหมุนเป็นแก่ก่าตามไม่มีทางฝุกทางสบายให้ถ้าดับไฟส่วนนี้หายขาดจากจิตจากใจของตัวได้มันดีูสุขอีสบาย ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่เป็นภัยที่จะให้ทุกแก่ตัวถึงร่างกายจะมีโรคภัยไข้ไเจ็บมีการเหนื่อีหนืดหูหนุ่มคนธรรมดาก็ดีแต่ใจของธรรมจะหลงในสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมทิจยานารู้เท่าเข้าถึงเรื่องของธรรมจริงจังรู้มันมีการแปรเปลี่ยนแปลงตัวอย่างไรธาไมพิจยานาทั่ว ถ, ถึงแล้ว ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงอัมพาให้ทานหลงในรูปอีกต่อไปเรทานาสุขทุกเฉยๆที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นมันก็มีประจาขันเมื่อจิตกับกายยังอาศัยกันอยู่เนอะไรสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของจิตของใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้สัญญาความจาได้ไายรู้ บางทีมันก็หลงก็ลืมก็แล้วก็เลียนไปแต่ท่านก็ไม่ติตใจสังขารความปรุงภายในก็นนทราบแต่เป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของขันผู้ที่มารู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พรื่เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของขันท่านทานาราบดีในท่ทานท่านจะไม่หวั่นไหวท่านจะไม่เป็นทุกข์กนี่เพื่เราใ่เป็นองอ่างนะั้ในทราบว่าอะไรเป็นธาเป็นขันอะไรเป็นจิตเป็นใจ ก็เลยยิ่งเย้ยงกันใหญ่เพราะไม่เหนยจัละใจต้องตัวเพราะขาดการศึกษาการปฏิบัติธรรมะจะอยู่ลุ่นจีรุลนตาเท่าแกขนาดไหนถ้าใจยังชัว่วยังต่ำยังเสียใจยังมีความกำหนัดยินดีขออเงามยังมีความกำหนักกัดกินใจได้อย่าไปถือว่ามันจะฝึกจะสะบายจะเล็ก ตนจะสาวอยู่กว่าตามมน่ดความตำหนัดยินดีราคาโทรศัพทโมหะไม่มีในใจก่เป็นทุกใหญ่ใจเ้าอยื่องเชื่อเรื่องเสียเลืมองดีต่างๆทั่วถึงในทำในสูดในคิดเป็นทางผิดอาจทาประพฤติปฏิบัติหน้าเชื่อหน้าเลื่อนใส ตัวของตัวเองก็ชมตัวของตัวว่าเดียสาระชั่วที่มีอยู่หมดไปใจส่นทุกข์เป็นอย่างไรทราบดีไม่ต้องหาคะแนนเสียงจากคนอื่นไม่ต้องหาใบประกาศนียบัตรมาติดมาผักว่าเราเป็นพระอรหันต์อรหันต์เราดีดีเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตของตัวเองก็เป็นสันทิกฐิตัวรู้เข้าใจ ปัจจตบันเฉพาะอยู่ไมมีใครที่จะรู้จะเข้าใจยิ่งกว่าเราผู้กว่าคือปัจจบันมันหมดมันยังอย่างไรทราบดีละเอียดภายในใจเมื่อมันหมดแล้วจะไปหาที่ไหนก็ไปหาเถอะของหมดหาไม่มียังหาอยู่ก็ยังหลงอยู่ท่านจึงไม่หาเพราะท่านเห็น เห็นความบริสุทธิ์เห็นความหมดจะไปหาทำไมมันหมดแล้วหาเท่าไรมันก็ไม่เจออีกนี่คือจิตใจสู่บุพเตปฏิบัติเขาไปสู่อาจสู่ธรรมจริงจังมันมีความสุขความเยือกเย็นไม่เป็นเรีย น, น, ย เ, ปนเป็นไทยไปสถานที่ใดท่านสุขท่านสบายตลอดระยะเวลา